ก็ราบบูชาพระธนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายังหลวงพ่อกมพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุริน์พระอาจารย์ตุ้มพระเทระพันเตเพื่อนสาธมิกจริญพรมายังแมช่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวัน ารนะที่19พฤษภาคมนะพุทธศักราช2 5 5 8นะก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสดมนนะแล้วก็ฝังธรรมนะช่วงนี้ก็มีกลุ่มประจำเดือนนะประมาณ10กว่าคนนะแล้วก็มีญาติโยมนะแล้วก็นักบวช นะจากที่ต่างๆนะมาร่วมนะที่จะเข้ า, ากิจกรรมกรรมฐานเข้ม4ี่วันนะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันในวันพรุ่งนี้นะวันที่20นะ่สไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนซนะึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะในการที่ทุกท่านเนี่ยนะได้มาร่วมกันนะทาให้วัดป่าสุขโตมีชีวิตชีวาขึ้นมา นะเป็นชีวิตแห่งการตื่นรู้นะชีวิตที่วัดป่าสุกโตตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมงานในการที่เราจะมาทำให้จิตใจของเรานั้นมีการตื่นรู้ขึ้นมาการมีชีวิตอยู่ในโลกนะส่วนใหญ่นะเราก็ <c oughs> มีตื่นบ้างหลับบ้าง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะหลับไหลนะไปกับ ความสุขสนุกสนานนะความเพลิดเพลินนะในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะก็ทำให้เราเกิดความติดยึดนะทำให้เราหลงไหลนะไปกับความสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินนะซึ่งก็เป็นความสุขที่มีอยู่ในโลกนะความสุขชนิดนั้นนะก็ได้จากการได้กิน นะได้เที่ยวได้เล่นนะได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปในเรื่องต่างๆนะซึ่งตรงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเป็นความสุขที่ชั่วคราวนะมีอยู่เป็นบางครัง้งบางขณะนะแล้วก็ถ้าเราไม่สังเกตให้ดนะีเราก็จะพบว่าเป็นความสุขที่ต้องใช้ความพยายามต้องดิ้นรนนะต้องแสวงหานะแล้วก็ ไม่มีจุดจบนะไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เหน็ดเหนื่อยนะกับสิ่งเหล่านี้นะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องหาความสุขนะให้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะหลายคนนะเมื่อเกิดความเหน็ดเหนื่อยเกิดความอือมละอาเกิดความเหนะ น, นื่อยหน่ายขึ้นมานะก็จะต้องวิ่งไปหรือว่าค้นหานะความสุข ที่แตกต่างออกไปในะอย่างการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็คิดว่าหลายคนนะคงได้มีประสบการณนะ์ได้ผ่านได้สัมผัสนะกับความสุขนะที่มีอยู่ในโลกนะโดยทั่วหน้ากันแล้วก็ได้เห็นได้ว่าความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นความสุขชั่วขณนะความสุขชนิดนี้เนี่ยบางคนก็ รู้สึกอยากให้มันสุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีจุดจบต่อเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดหยุดที่สแสวงหาความสุกชนิดนั้ น, นแล้วเราก็กลับมาดูว่าเอ๊มันมีอีกไหมาการหยุดที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขที่ดิ้นรนกระเสือกระแศเราก็จะพบว่าโอ้มันมีความสุขอีกชนิดหนึง่งเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เรารู้เท่าทัน นะรู้เท่าทันจิตใจของเราที่มันดิ้นรนนะกระเสือกกระสนสแสวงหานะความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดานะเมื่อเราหยุดพักนะเราก็เริ่มที่สัมผัสนะกับความสุขที่มันมีอยู่แล้วในจิตในใจของเราความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่งกง่วงนะ เราตื่นรู้อยูนะ่ใจเราเป็นปกติเฉยๆอันนี้ก็เป็นความสุขที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนะสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่ตรงนี้ความสุขที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เราลืมไปเราหลงไปเราไปหลงกับความสุขจากข้างนอกมากเกินไปนะเราเลยลืมความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานะก็คือจิตใจที่เป็นปกติ ทีนี้การจะสัมผัสกับจิตใจที่เป็นปกติได้เนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมืออันนึงที่มีอยู่แล้วคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหรือภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะที่เรามากันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็จะพูดกันเรื่องนี้นทุกเช้าทุกเย็นโดยส่วนใหญ่อาจจะมีเรื่องอื่นบ้างาแต่สุดท้ายก็จะมาจบเรื่องของการมารู้สึกตัว การมาเจริญสติพะนั้นการอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันคืนที่ตื่นรู้เป็นวันคืนที่ตื่นรู้ตื่นรู้อะไรตื่นรู้กายใจของเรานะตื่นรู้ที่จะเห็นกายเห็นใจของเราใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนมันมองเห็นยากแต่มันอยู่ติดกับกายพะนั้นก่อนที่เราจะไปเห็นไปรู้ไปเข้าใจใจ ให้เรามาดูที่กายการมาดูในที่นี้คือมารู้สึกตัวที่กายกายมันเคลื่อนมันไหวมันโยกมันโครงมันเคลงเรารู้สึกตัวไหมตนะะกี้นี้ที่เราสาธยายมนนะในมาสติปาฐานสูตรนะซึ่งสูตรนี้เนี่ยพทุทธองค์ก็ได้แสดงนะไว้เป็นหลักเป็นฐานชัดเจนนะว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางที่จะพาให้เราล่วงจากความ ทุกความโศกนะความร่ําไรราพันธนะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมานะแล้วก็มีสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะมีอยู่สอย่างนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือร่างกายนะตัวกายของเรามันเคลื่อนมันไหวนะกายที่เคลื่อนที่ไหวนะแรกๆเนี่ยให้เรารู้ กายที่มันเคลื่อนมันไหวกายที่มันร้อนมันเย็นกายที่มันปวดมันเมื่อยอย่างนักปฏิบัติที่มากลุ่มเมื่อเมื่อวานนีนะ้เราก็ปฏิบัติกันทั้งวันนะเราก็ได้สัมผัสกับความปวดความเมื่อย <c oughs> นะความาไม่สบายกายนะแล้วมันก็ไม่สบายใจนะซึ่งตรงนีเน้เป็นสิ่งที่เร า, เาได้เรียนรู้ เพราะนั้นในหมดกายเนี่ยนะมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปเยอะแยะแต่ที่เห็นชัดๆก็คือการเคลื่อนการไหวการเดินการนั่งนะหรือแม้แต่การนอนอย่างเมื่อคืนถ้าเรารู้นะเรามีจิตใจเราดูเราเห็นการนอนนะบางคนนอนแล้วยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นอนไม่หลับนะแต่ถ้าเราปล่อยวางกายคลายๆวางใจสบายสบาย มันจะหลับก็ช่างมันมันไม่หลับก็ช่างมันนะเราไม่ไปอยากให้มันหลับถ้าไปอยากให้มันหลับมันจะไม่หลับนะวางกายกายมันก็หลับได้เหมือนกันเพราะมันั้นตรงนี้ในส่วนของกายเนี่ยหรือขนาดนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะรู้สึกหิวรู้สึกกระหายเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินอาหารอันนี้ก็เป็นอาการของกายนะที่จะแสดงนาะที่จะแสดงให้เราเห็น เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะในจิตในร่างกายของเราเนี่ยนะในส่วนของกายเห็นกายบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆนะเห็นทุกทุกขณะนะถ้าเป็นไปได้แต่คนใหม่ๆมันจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรนะเผลอไปแล้วกลับมารู้ใหม่นะความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวที่ แต่ละขณะแต่ละขณะเป็นความรู้สึกสดสดเมื่อวานผ่านไปแล้วก็ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปนึกถึงมันโอ้โหเมื่อวานทรมานเหลือเกินแล้วนะวันนี้จะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยอ่าอันนั้นก็คิดไปแล้วนะมันคิดปรุงแต่งไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะมีอยู่เพียงขณะเดียวนะขณะที่เราตื่นรู้หรือขณะที่เราหลับไหลนะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ นะอย่างที่อาจารย์กำพลพูดถึงวันหนึ่งคืน1ชีวิตมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะได้น้อมเอามานะพิจารณาใครครวนนะส่วนใหญ่ชีวิตเรามักจะไปอยู่กับอนาคตบ้างไปอยู่กับอดีตบ้างแนะม่ก็ได้อยู่ในปัจจุบันหรือแม้แต่อยู่ในปัจจุบันถ้าเราคุ้นคิดเราไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ถือว่าเผลอไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหมดของกายเนี่ย น่าให้เห็นให้รู้นาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานมีฝรั่งเข้ามาฝึกเขาเคยฝึกแบบอานาปนสติกเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราลุกเคลื่อนไหวนี้เราต้องหายใจอย่างไาจะต้องไปสนใจลมหายใจไหมนะก็เลยบอกไปว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจมันเพราะลมหายใจมันละเอียดมันเบาแต่ถ้าคุณมีประสบาการณ์คุณมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นนะได้ เพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นกายส่วนหนึ่งนะเป็นกายที่ละเอียดนะแต่คนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะถ้าไปเล่นลมหายใจบางทีมันก็จับไม่ค่อยได้หรือบางทีมันก็รู้ไม่ค่อยทันเพระาะฉะนั้นเรามาใสา่กายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ใหญ่นะมันจะเห็นชัดเจนกว่าลมหายใจนะแต่ทีนี้บางคนอาจจะมีพื้นฐาน ที่ฝึกมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั่นแหละใช้ลมหายใจก็ได้เรารู้กายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆกายที่เคลื่อนไหวหยับหยาบเนี่ยเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันไปเห็นกายละเอียดเองกายละเอียดก็คือลมหายใจเนี่ยบางทีเราเดินจงกรมเนี่ยนะมันไปรู้ลมหายใจก็มีบางทีมันก็ไปรู้ที่ขาที่เราก้าวเดินท้าที่เหยียบพื้นคือจิตเนี่ยมันไวมากนะมันไม่ได้ไปเห็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง นะเมื่อวานก็มีอยู่คนหนึ่งเ็าบอกว่าเขาต้องคอยเพ่งที่มือตลอดเวลาเลยใช่ไหมนะการเจริญสติบอกคือถ้าเราไปเพ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการที่เราไปจดจ่ออยู่จุดใดจุดหนึ่งปล่อยให้มันสบายๆนะฮะอะไรมันปรากฏขึ้นมาเช่นจะเป็นเท้าก็ดีหรือเป็นขาที่เคลื่อนไหวก็ดีหรือบางทีมันรู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวก็ดนะีให้เราสังเกตตรงนั้นนะอย่าไปกาหนดจดจ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่ง ถ้าไปกำหนดจุดจ้องจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นการเพ่งจ้องนะแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติเนะพราะนั้นสติเนะี่ยมันเป็นธรรมชาตินะแล้วมันก็ไหวนะมันสามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราเาจเริญสติกับกายนะมีความรู้สึกตัวที่กายชัดเจนเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะสัมผัสกับสิ่งที่มันมันละเอียดอ่อนกัาไปเรื่อยๆนะบางทีเนี่ยกลิ่นดอกไม้ป่า นะมันโชยมาเราไม่เคยสังเกตเลยนะเอ๊ะมันมีกลิ่นดอกไม้มานะนี้ก็เป็นความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการเจริญสตนะิในส่วนของกายนะการเห็นหรือแม้แต่การกินนะคนที่เจริญสตินะที่กายเนี่ยนะรสชาติของอาหารเนี่ยข้าวเปล่าๆเนี่ยมันก็มีรสหวานน้อยๆอยู่เราสามารถกินข้าวเปล่าๆเราก็รู้รส น, นี้มันก็เป็นลักษณะของการที่เกิดจากการพัฒนาการเจริญสตินั่นเองทีนี้เมื่อเร า, เารู้ที่กายชัดเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะไปรู้ในส่วนของเป็นความพอใจไม่พอใจความปวดความเมื่อยของร่างกายอย่างเราเดินมากๆเรานั่งมากๆเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มที่จะเข้ากรรมาฐานเข้ม40วันเนี่ย นะให้เราสังเกตดูนะถ้าเรารู้กายมันจะไปรู้เอ่อความปวดความเมื่อยความร้อนนะความพอใจไม่พอใจนะฮะหรือแม้แต่ความปกติเฉยเฉนะซึ่งอันเนี้ยในภาษาบาลีเราเรียกว่าเวทนาภาษาอังกฤษเรเรียกว่าฟิลลิ่งนั่นเองนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเป็นนามธรรมานะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งมันมี เยอะแนะที่เราจะสังเกตเห็นได้ในหมวดที่3ก็คือหมวดจิตนะหมวดจิตเนี่ยก็คือจิตเนี่ยเป็นตัวรู้นะตัวจิตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสมันได้นอกจากเราเห็นสิ่งที่มันเป็นอาการของจิตก็คือความคิดนะความคิดที่มันคิดนึกสารพัดนะคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะคิดแล้วโกรธคิดแล้วกลุ้ม นะคิดแล้วดีใจเสียใจนะอันนี้เป็นความคิดนะเป็นส่วนที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องราวเก่าๆบ้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างในขณะที่เราปฏิบัติเราพยายามที่จะรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันก็มีความคิดแวบขึ้นมานะจะคิดเรื่องอะไรก็ตามนะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อย นะมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะบางทีก็ไม่คิดบางทีก็คิดแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะคิดมากนะแล้วก็มันก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆกันเพราะนั้นความคิดเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยบางทีมันก็หลอกเอาหลอกให้เราดีใจหลอกให้เราเสียใจหลอกให้เราโกรธหลอกให้เรากลุ้มนะเพราะนั้นความคิดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทัน นะรู้ทันอยู่บ่อยๆนะการรู้เท่ารู้ทันก็คือเรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวตรงนี้นี่แหละนะมันจะพัฒนาไปสู่การเข้าไปรู้ความคิดความคิดเนี่ยนะเราไม่ห้ามมันนะแต่เราก็ไม่ตามมันปล่อยให้มันคิดขึ้นมาเมื่อมันคิดขึ้นมาเราทิ้งเลยเราไม่ตามมันนะทิ้งเลยทิ้งความคิดทุกๆความคิดแล้วกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว เอาความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวนี้เป็นหลักความคิดที่มันมาเนี่ยเหมือนเหมือนกระแสน้ําอ่ะที่มันไหลนะมันไหลอ ย, อยู่เรื่อยถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยเราก็จะไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์นะทำให้เราดีใจเสียใจทําให้เราพอใจไม่พอใจนะพูดง่ายๆใจเรามันเสียความเป็นปกตินะดีใจเราก็ฟูขึ้นเสียใจเราก็แฟบลงนะเนี่ย ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราฟูฟูแฟบแฝบเราก็จะเหนื่อยนะเราก็จะเหนื่อยเราก็จะเรียกว่าไม่เค่อยปกติคนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆสุดท้ายเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตโรคประสาทกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไม่มีไม่มีหลักใจนะก็คือความรู้สึกตัวนะคือลืมตัวไปเลยหลงไปในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย นะความคิดเนี่ยมันจะมีเยอะแยมีมากมายนะอย่างคนที่ปฏิบัตินี่จะเห็นเลยนะโอ้โหเรื่องเก่าๆบางทีมันไปขุดค้นมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆนะบางทีก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่นะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ ม, มันจะมีเรื่องไม่่คยดีมาก่อนเรียกว่าความคิดหยาบๆเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาก่อนตรงนี้เนี่ยให้เรารับรู้แล้วอย่าไปตามมันมันคิดอะไรขึ้นมาก็ทิ้งไปก่อน ใม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันหลักนะมันคิดเรื่องยาวบางทีสิบเรื่องยังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดสิบเรื่องเรารู้ทันเรื่องที่สิบอีกเก้าเรื่องไม่รู้เราก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคิดมาเนี่ยเก้าเรื่องรู้เรื่องที่เก้ามันไม่ถึงเรื่องที่สิบแล้วนะเรื่องมันก็จะค่อยๆหดสั้นหดสั้นไปซึ่งอันนี้มันเป็นเองนะเราอย่าไปกาหนดกฎเกณฑ์ไปบังคับไป สร้างจินตนาการว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันยังคำพูดที่ที่เราได้ยินในฟังให้มันเป็นไปเองนะตรงนี้มันจะเห็นพัฒนาการขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะในส่วนของหมวดจิตนะที่เป็นหมวดที่สามนะหมวดสุดท้ายก็คือหมวดธรรมคำว่าธรรมเนี่ยนะในความหมายของภาษาบาลีคือทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏที่แสดง อย่างเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความคิดบ้างบางทีเห็นกายบ้างแล้วก็บางทีไปเห็นสิ่งที่เป็นความดีบ้างเป็นสิ่งไม่ดีบ้างที่เราว่าอกุศลธรรมกุศลธรรมหรือว่าอัพยากิจธรรมก็คือเป็นกลางกลางอกุศลกรรมอย่างเช่นอกุศลธรรมอย่างเช่นอะไรบ้างที่เห็นชัดชัดเด่นๆเลยคือความง่วงใช่ไหมก็เรียกว่านิวรธรรม ความง่วงชัดเลยมาปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามนะจะนั่งหลับตาหรือจะลืมตามันง่วงทุกคนที่มันง่วงเพราะมันมันมันออกจากความคิดความง่วงนี่มันมีสองอย่างนะกายมันง่วงถ้าเราทำงานหนักเราเหนื่อยเราเพียเนี่ยถ้ากายง่วงเนี่ยต่อให้เอาอะไรมาห้ามก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถห้ามได้ต้องนอนน่ะมืนยังเราทำงานมาทั้งวันเนี่ย ถึงเวลากลางคืนเราก็ต้องนอนนะมันมันไม่ไหวจริงๆิอันนี้เป็นความง่วงทางกายนะอีกอันนึงเป็นความเมื่องทางจิตความง่วงทางจิตมันซึมซึมเราคุ้นเคยพอเวลาเราไม่คิดอะไรอย่างเช่นเรามาปฏิบัติเนี่ยมันออกจากความคิดมันจะง่วงความง่วงทางจิตเนี่ยแก้นิดเดียวอย่างบางทีเรานั่งสร้างจังหวะช้าๆเนี่ยนะมันง่วงใช่ไ้เราทาให้มันเร็วขึ้น หรือบางทีเราเพ่งเข้าไปข้างในมากๆอยากจะรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องเนี้ยเราลองมองออกไปข้างนอกโยนอามณ์ออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวมันก็หายแป๊บเดียวหรือถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะนั่งทํามันก็ง่วงเราลุกเดินแนะแกล้งไม่ทําบ้างหยุดนั่งเล่นเล่นก็ได้บางทีเราไปทําต่อเนื่องนานๆมันเกิดการซ้ํำซากซ้ํำซากมันจะง่วงมันจะเบือ่อแต่ตรงนี้เนี่ยเราลองแกล้งนั่งเล่นเล่นเฉย ๆ, ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายนะ แต่มันไม่ได้หายไปทีเดียวหรอกเดี๋ยวมันก็มาอีกความง่วงเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่เป็นไรนี่คือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยนะเราจะไปคิดว่าอันนี้เป็นอุปสรรคความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านนะีอันนี้ทุกคนจะต้องเจอนะมันเป็น <c oughs> มันเป็นอาการนะของของกายของจิตที่มันจะแสดงออกมาให้เราดู เพราะนั้นการเข้าใจการเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้ยไม่ได้ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นพระพุทธรูปนะอันนั้นเป็นเรื่องที่จิตมันคิดมันนึกมันจินตนาการไปนะมีบางคนบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยนะเหาะมาเลยนะมาพูดธรรมะให้เราได้ยินได้ฟังนะอันนี้ก็จินตนาการไปละอันนี้ไม่ใช่ของจริงะนะเป็นจิตมันคิดนึกมันปรุงแต่ง โดยเฉพาะคนที่ชอบนั่งหลับตานะแล้วก็ทำสมาธิแบบหลับตาเนี่ยแต่สติยังไม่ตื่นดีเนี่ยจิตมันจะโอ้โหมันสร้างเรื่องราวสร้างภาพต่างๆนะหลอกเราได้ซึ่งบางคนก็ไปสาคัญผิดว่าตัวเองนี่ได้บรรลุธรรมแล้วเห็นอ้นูน่นเห็นอ้นี่เห็นในนั่นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทันอาจารย์โกวิทเขม น, นันทาเคยพูดอันตมาเคยได้ยินนะ ท่านบอกว่าคนที่ยังสติไม่ดีเนี่ยไปฝึกสมาธิแบบนั่งหลับตาเนี่ยนะมันจะโดนจิตหลอกเอาได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้เราฝึกสติให้ดีๆก่อนถ้นาจะนั่งหลับตาจะลืมตาก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมในอริยมรรคมีองค์มีองค์งแเนี่ยสัมมาสติมาก่อนแล้วก็สัมมาสมาธิมาทีหลังเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราจเจริญสติบ่อยๆสติที่เข้มข้นเนี่ย นะมันก็จะเป็นเสริมสมาธิคือจิตใจที่ตั้งมัน่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางคนมาใหม่ๆก็สงสัยว่าที่วัดป่าสุขกโตไม่เห็นมีนั่งหลับตาเลยนะไม่เห็นมีนั่งสมาธิเลยมาจะมาฝึกสมาธิมีแต่มายกไม้ยกมือมันจะสงบได้อย่างไรเอออันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจความสงบเนี่ยมันมีสองอย่างเหมือนกันนะหนึ่งสงบแบบนิ่งไม่รู้อะไร อันนั้นเป็นสงบแบบลือสนะีซึ่งเจ้าใชายไปเรียนกาอาจารย์สองคนได้ฌานสมาบัติเจสมาบัต 8, นะิ8ปได้ความสุขชั่วคราวเหมือนกันในขณะที่นั่งนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือสงบแบบตื่นรู้ขณะที่ลืมตาเนี่ยใจเราก็วางเป็นปกติเฉยๆได้เห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้กลิน่นได้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆอยู่แต่ใจเราไม่หวั่นไหวอันะนี้ก็คื อ, คอเป็น ความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งไม่รู้อะไรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะแบบไหนเราจะสงบแบบนิ่งไม่รู้อะไรเลยทือท่อๆนะเวลานั่งนิ่งๆมันก็สงบดีนะแต่ไม่เคยได้เจออารมณ์ที่มันอยู่ภายในจิต ใ, ในใจของเราพอไปเจออารมณ์ข้างนอกจริงๆเราก็หงายหลังเลยแต่การที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยให้อารมณ์ที่มันข้างค้า ง, างมันหมักหมมใน ใ, นใจสแสดงตัวออกมา เป็นเหมือนกับคู่ซ้อมอ่ะนักมวยเนี่ยก็ต้องซ้อมเพราะนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่ห้ามเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแต่เรารู้เราไม่ตามมันนะถ้าเราไม่ตามมันเราก็วางใจนะให้ใจเป็นปกติใจกลางคําคำว่าวางใจในที่นี้เราไม่ได้ไปทำมันนะเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยใจมันก็จะเป็นปกติของมันเฉยๆอยู่อย่างนั้นนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ให้เราสังเกตดูนะเพราะนั้นในหมวดของธรรมเนี่ยนะมันมีมากมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏที่แสดงออกมาจะทางตาเนื้อก็ดีทางตาในก็คือใจก็ดีให้รับรู้รับทราบแล้วเรากลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวอันนี้จะเป็นทางผ่านนะเรียกว่าที่กรุงเทพเนี่ยนะเราผ่านทางด่วนเนี่ยมันมีกั้นมันมีที่กั้นเนี่ยเราจะผ่านทางด่วนเราต้องจ่ายสตงใช่ไม อารมณ์เหมือนกันความคิดเหมือนกันเราจะผ่านอารมณ์ต่างๆได้เราต้องจ่ายสติจ่ายสติก็คือกลับมารู้สึกตัวอันนี้มันจะเป็นทางผ่านผ่านอารมณ์ทุกๆอารมณ์แม้แต่อารมณ์สงบอารมณ์สุขอารมณ์ปิติอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ผ่านอย่างที่เราได้สาธยายมนเมื่อสักครู่นี้นว่าเราไม่ติดยึดอะไรรในโลก อันนี้ก็คือการไม่ติดคิดอะไรอะไรในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆนะซึ่งตรงเนี้น้ำก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยกลับคืนมาสู่ความเป็นปกติซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้อันนี้คือความสุขเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่ไม่ได้พูดแต่เรื่องความทุกข์อย่างเดียวนะพูดเรื่องความสุขด้วยนะความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะเป็นแต่ว่าเรา เอาภาษาสมมติขึ้นมาใช้เท่านั้นเองจริงๆบางคนบอกสุขมันไม่มีหลักมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์มากทุกข์น้อยหรือบางคนบอกความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนมากร้อนน้อยอันนั้นก็แล้วแต่ภาษาที่จะพูดกันไปภาษาเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคิดก็ไม่เป็นไรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เอาว่าในวันคืนแต่ละวันแต่ละคืนให้เป็นวันคืนที่ตื่นรู้ตื่นรู้กายใจ ขะที่มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นเลยว่ากายของเราในมันทุกข์นะเป็นก้อนทุกข์เรายังไปหลงมันอยู่ไหมนะถ้าเราเห็นแ ล, แล้วยังไปหลงมันอยู่นะก็ช่วยไม่ได้ลนะแต่บางคนเห็นแล้วมันก็เกิดความเอื่อและอาเกิดความเบื่อห น, น่ายที่จะไปยึดไปถือมันแนะก็ต้องปล่อยต้องวางนะตรงเนี้มันก็จะทําให้เราสัมผัส กับความเป็นปกติของใจสัมผัสกับความเป็นปกติของกายหรือแม้แต่อย่างที่กรณีของอาจารย์กำพลเนี่ยเจ็บป่วยแต่ใจของท่านปกติกายมันไม่ปกติแต่ใจปกติท่านก็สามารถที่จะร้องเพลงได้เมื่อวานชีวิกก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้เมื่อวานอาจารย์กำพลร้องเพลง น, น่าสนใจนะเขาว่าไงนะตายมันก็ไม่ตายมันจะตายก็ไม่ตายนะเหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเนี่ย โอ้อาจารย์คำพนสามารถที่จะร้องเพลงเรียกว่าจะเรียกว่าย่อเย้ยก็คงไม่ใช่นะแต่ว่ามันให้สตินะว่าเออมันจะตายแล้วมันยังไม่ตายแต่ก็ไม่เป็นไรแเราเรามีสติอยู่เขาบอกว่าผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะก็จะพบกับความความไม่ตายแต่ผู้ประมาทเนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้วนะมันมี อพุตสาสนะสุภาสิทธ์พูดเอาไว้เหมือนกันนะเมื่อปีที่แล้วตามาไปสอบนักธรรมก็ได้จำอันนี้เอาไว้นะบอกว่าผู้ที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วนะแต่ผู้ที่ไม่ประมาทเหมือนคนที่ยังเรียกว่าเป็นอมตะ ก, ก็คือไม่ตายนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราได้มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตได้มาร่วมกันใช้ชีวิต นะแห่งการเจริญสตนะิให้เป็นวันคืนที่ตื่นรูนะ้เพื่อที่จะออกพ้นไปจากความทุกขนะ์สิ่งที่หมักหมมทาใหเราหนัก อ, อกหนักใจนะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้มาใช้ประโยชน์กับวัดป่าสุกตโตซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุด นะของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแลนะเป็นประโยชน์ในขั้นสูงสุดทีเดียวนะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ในขั้นปรมัทิติเดียวเดียวาเนะโยชน์ใันิตเดียวก็เรียาเป็นประโยชน์ันะมาทิวกรแก่าเวลนปะร้าทิิดว่ากเป็นประโยชน์กนั้นุกท่านอยูก็้กางแลนะประโยชน์นั้นทีก็คือก่ารยนํใน้าทิ่ิดียนะ่ไปประพยินปในบั้ปรติเดีเพื่อให้เกิดผล <c oughs> อย่างแท้จริง ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรีนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะของพวกเราทุกคนด้วยความศรัทธานะที่เปรียบเหมือนกับเป็นเมล็ดพืชพันธุ นะด้วยความเพียรเปรียบเหมือนน้ำฝนนะด้วยสติด้วยปัญญานะด้วยสมาธิที่มีอยู่นะความอดทนที่มีอยู่ความตั้งใจของทุกท่านนะขอให้เป็นพละวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ถึงซึ่งที่สุดแห่งความทุกขนะ์ซึ่งเป็นสุขเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร